พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26สิงหาคม2557มีชื่อเรื่องว่าโทษประหารเพราะการพูดวันนี้เป็นวันที่26 สิงหาคมพุทธศักราช2557พระวัดของเราพระจำพรรษา3 5าแต่บวชในพรรษาเพิ่มคนอีกเดี๋ยวนี้พระทั้งหมด38นะพระ38รูปวันนี้ลงมาชัน้นลงมาชั้น21รูปงดปชั้นไปหลายองค์ หลวงพ่อก็รู้สึกว่าหวัดวัดกำลังจะมาตั้งจังหวัดใส่คอจมูกของหลวงพ่อน่ได้สองวัดนะก็พยายามจะฉันยาแต่วันที่สามสิบจะลงกรุงเทพจะไปเชียงใหม่ได้หรือเปล่าก็ยังคิดอยู่เหมือนกั น, นถ้ามันไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไปไปได้เพราะอาการหวัดนะไม่รู้มันจะ เ, เป็นยังไง ถ้าไ ม, ม่ได้พักผ่อนก็ไม่ได้เพราะอายุคนอายุมากโดยมากวัดเนี่ยมันจะอยู่กับคนอายุมากเป็นวัดเรื้อรังก็รู้มันอยู่นะวัดต่ทาไงแต่ก็ตายได้เหมือนกันนะมีอะไรก็ตายได้เหมือนกันตายได้ทุกอย่าง น, นี่พอเป็นวัดเข้ามาแล้วกันปอดบวมนิวโมเนีย น้ำท่วบปอดบนลสูตรสุดขนฮ ะ, ะตายเกิดมาตายจะเกิดมาอยู่ได้ยังไงจะอยู่ไม่ไมตายแต่ในต่างประเทศเขาก็กําลังลือหือหากันเรื่องโควระบาดอีโบลาชื่อเพราะนะ อีบลาถ้าเป็นเมืองไทยของเรานะ่ถ้าชื่อว่านอสอีโบลานี่ยังยังได้อีกต่างหากแต่ภาษาอังกฤ ษ, กฤษมันต้องจะแปลยังไงกำลังโด่งดังข้าคนเท่าไหรเท่าเท่าไหร่อีบรวาโรคภัยไข้เจ็บหมอจะเก่งขนาดไหนก็เก่งแต่ โรภัยใครเก็บนี่ก็ต้องมันก็ต้องผลิต อ, อาพุธขึ้นมาหยมประทษก็ต้องผลิตอาพุธขึ้นมาเหลี่ยมหนึ่งเอ็ดจนหมอตามไม่ทันแต่ทุกวันนี้เรื่องตามเอ็ดก็ยังไม่ทันเนียังตุปตุเปอยู่แต่วันโรกเนี่ยกว่าตามทันชะกัดอยู่แล้วแต่มะเร็งเนี่ยตามไม่ทันเอ ปัดๆไปๆยังไม่ยังเอาชนะวันไม่ได้แล้วยังมีอีอีปวลาเสริมเข้ามาอีกนทั้งแพทย์ทั้งหมอทั่วโลกตื่นตะนกกันไปหมดไม่ว่าประเทศไหนสรุปแล้วก็คือเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้แต่ก็เอาชนะพอประทังก็ยังไม่ถึงคราวก็ประทังประทังไว้ก่อนแต่มันสุดวิสัยจริงๆก็เอาปล่อยไปมันสุดวิสัยของแพทย์ของหมอเนร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้ใดทุกคน พระนพระพุทธเจ้าท่านเป็นหมอใหญ่หมอใหญ่อยู่ตรงกลางๆท่านไปเข้าข้างนั้นท่านไ่ออก้างนี้ท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่รู้จะออกไปทางไหนไม่รู้จุดจบอยู่ตรงไหนท่านก็ทิ้งหม า, หากรับกรรมกรรมกรรมคือการกระทำ ถ้าพวกเราทำกรรมดีไว้กรรมดีมันก็คงจะพาพวกเราหนีออกห่างจากกลุ่มอีโบลาได้ถ้าพวกเราทำกรรมชั่วไว้มากกรรมที่ไม่ดีพวกเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกรรมตอนี้กรรมของเราก็ผลักดันเขาไปหาอีโบลา อ, อีโบลาเก็ต้องติดโรคภัยไข้เจ็บข่า นี่แหละอันนี้คือกรรมสรุปแล้วคือหลักของพุทธศาสนาในกรรมคือการกระทําถ้าพวกเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อื่นบางทีทํากรรมดีกรรมดีไว้อย่างอื่นไม่ยุ่แต่ว่าจุดหนึ่งจุดหนึ่งมันทํากรรมไม่ได้ทํากรรมดีไว้ทํากรรมชั่วในจุดนั้นเออกรำชั่วจุดนั้นกรรมันก็ริดหลอดเล็ดหลอดออกไปไปหา ไปหาไปทำร้ายทารายกรรมดีได้อย่างเช่นพวกเราร่ำรวยมีเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเพราะว่าอันนี้สงทานอ น, นี้สงทานทากรรมดีในอดีตได้ให้ทานกับพระประเจกผู้ใจจ้าให้ทานกับพระอรหันต์ให้ทานกับผู้มีคุณธรรม เกิดมาพบใรชาติใดกร็ร่ำรวยแต่ขณะที่ร่ำรวยขึ้นมานั่นใจอิจช้าพยาบาทอาฆาตเหต็นอะไรเลยน่ฆ่ามันทั้งหมดเพิกเพลินฆ่าคู่แข่งอีกต่างหากเพราะตัวเองรวยไม่อยากจะให้คนอื่นมาแข่งเราเแต่คู่แข่งตัวนั้นเขาเป็นผู้มีคุณธรรมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตัวเองอิชา้าไปฆ่าเขาเ พอข้าตายไปแล้วเกิดพบนาชาติาก็ยังรวยอยู่พ เ, ยเพราะเหตุไรเพราะอานิสงส์ในการทำทานกับพระพุทธเจ็าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์าวกเราเคยทำทานไว้เกิดมาพบนาชาตินาก็รวยแต่รวยบาปกรรมที่ตัวเองได้ไปอิจฉาเขาเนีได้ฆ่าเขาเนไอช่องนั้นแหละสิมันก็จะมาฆ่าเราอีกสิเฮ้ยท้งจะรวยก็เถอะ เพราะเองตัวเองไปทำกรรมที่ไม่ดีกับเขาไว้เขาต้อมาฆ่าเราั้งทีเงินคําทรัพย์สมบัติลุวยบางทีรักษาไม่หายก็มีอย่างเป็นโรคที่รักษาไม่หายมะเร็งเนี่ยบางทีลุ้ยรักษา่างไรก็ไม่หายเพราะตัวเองเป็นมะเร็งก็จะต้องตายนี่แหละอันนี้คือมันมีช่องโหว่จุดหนึ่งคือการกระทำกรรมของเราอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่าน จึงให้สั่รวมกายวาจ า, าใจอย่าไปคิดชั่วอย่าไปทำชั่วอย่าไปพูดชั่วอันนี้ค่าว่าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วกรรมดีจะตามสนองถ้าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วความชั่วก็จะตามสนอง อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายใช้ปาก ถ้าใช้เป็นศีลเป็นธรรมมีแต่สวดมนต์ไหว้พระมีแตพูดภาษาอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคาระวะพูดตามหลักเหตุผลมีเหตุมีผลก่อนจะค่อยพูดไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อยทำให้คนอื่นเสียหายถ้าทำพูดไปโดยไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะเสียหายอย่างไรเพ่อเพ้อพูดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง หาเรื่องหาราวใส่คนอื่นเขานี่บาปกรรมจะต้องตามสนองมาอีกเหมือนกันในหลักในหลักของพุทธศาสนานี่แต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูว่าโทษประหารโทษประหารของทางโลกในประเทศไทยนีย่ไม่มีพูดด่าคนดา่าใครก็ตามด่าเรื่องอะไรก็ตามเรื่องออกมาจากปากแล้วโทษประหารนี่ย ยังไม่มีหลวงพ่อมาพิจารณาดูยังไม่มีแต่พุทธศาสนาได้มีนีพุทธศาสนาไี่มีถ้าพูดผิดพูดไม่ถูกนะปรับอบัตถึงขาดจากการเป็นพรนะ่คือการขาดจากการเป็นพรนะเนี่ยมันมันมีอยู่สี่ประการของพระน่ยนะภิกษุทำผิดนะภิกษุทาผิดอย่างร้ายแรงนะมีโทษประหารอยู่สี่ประการ ขาดจากการเป็นพระถึงจะบวชข้าวหน้าก็ไม่เป็นพระในชาตินั้นไปค้าว่าเป็นผู้ตัดคุณงามความดีออกจากจิตใจแล้วก็เหมือนกับต้นเพล้าท่านเปรียบเทียบผมว่าก็ต้นเพล้าหรือต้นตาลต้นตานลหรือต้นเพล้าที่ตัดคอปัดออกไปแล้วเนี่ยยังเหลือแต่ลําต้นมันมีแต่เน่าอย่างเดียว ไม่งอกเงยขึ้นมาอีกอันนี้คือปาละชิกโทษของพระที่พระทําผิดแต่ทางโลกของเขากฎหมายของเขาเนี่ย ข, ข่มขืนฆ่าป้นเอาสมบัติของเขาฆ่าขายยาบ้าหลายแสนเม็ดโทษประหารข้า นี่คือทางโลกทางกฎหมายเขาคือสรุปแล้วก็คือคิดแล้วก็ทำแต่ว่าคนไหนในเมืองไทยพูดด่าด่าคนด่าคนแล้วโทษประหารฆ่าหลวงพ่อยังมองไม่เห็นกฎหมายจุดนั้นที่ว่าพูดไม่ดีแล้วถูกฆ่าโทษประหารแต่พุทธศาสนามีนะเออ พุทธาสนานมีอย่างข้อที่หนึ่งบาราชิกข้อที่หนึ่งภิกษุร่วมสังวาสแบบฝ่ายหญิงไอ้ความีเพศสัมพันธ์ฝ่ายหญิงขาดจากการเป็นพระแล้วก็ภิกษุขโมยสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาขคือตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปนะ อปาราชิกภิกษุขฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายคือฆ่ามนุษย์ถึงจะอยู่ในท้องก็จะเอายาแต่งแต่งยาให้เขาไปฆ่าในาท้องในครันของเขาถ้าเขาตายเด็กนั้นตายพระก็ขาดจากการเป็นพระเป็นปาราชิกนะแต่ข้อที่สี่เนี่ยที่หลวงพ่อพูดถึงหมดภิกษุ ใช้วาจาละขาดจากการเป็นพระลาดนะในกฎหมายบ้านเมืองไม่มีแต่พุทธศาสนามีว่าภิกษุอวดอุตริอวดอุตริมนุสษษธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปาละชิกนะอวดอุตริคํานี้ก็คื อ, เ, อ, อเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราไม่ได้เป็นพระโสดาสกตาคาพระอนาคา แต่ว่าตัวเองอยากจะได้ลาบอยากจะได้ยศอยากจะให้คนยกย่องเฉิดชูสรรเสริญตัวเองไม่ได้ฌานไม่ได้สมาบัติแต่อวดอ้างว่าข้าเป็นผู้พิเศษข้าเป็นพระอรหันต์ข้าเป็นพระโสดาข้าไม่พระเป็นพระสกทาข้าข้าเป็นผู้พิเศษนะศรัทธาญาติโยมนะภัยนะอวดอ้างเขาโดยที่ว่าตัวเองก็ไม่มีอันนี้ขาดจากการเป็นพระ <c oughs> ขาดจากการเป็นพระในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือสินข้อที่สี่หรืราชิสสี่เนี่ยหลวงพ่อมาพิจารณ า, าดูแล้วนางทางกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยที่ไปทำอะไรไปด่าใครปริมาตรใครดูถูกเกียติยามใครไม่ถึงโทษประหารแต่ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมีโทษประหารในการพูดนาะ ถูพกพ่อคิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าใครเห็นว่ามันเป็นยังไงเนะี่ยังบอกบอกมาด้วยเป็นเสียสวัสดิคนนี่เป็นคนออกเงินออกเงินแล้วก็บอกให้เขาให้เขาไปทําความชั่วโทษประหารมีไหมหยุดเลยแต่ยังไม่ได้ตัวเองไม่ได้ทำแต่พระตาม่จริงทําไมโทษโทษประหารข้อที่สองเนี่ยทาไม ภิกษุสงฆ์เพียงขโมยสิ่งของที่เจ้าของขขงไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปมันมันจะไม่รุนแรงเกินไปหรือขโมยเพียงบาทเดียวฮะอันนี้คือในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าภิกษุไปทำความผิดไปขโมยไปเอาไม้เขาพระองค์ก็ไม่อนุญาตเพรา ะ, ะตนบัญญัติไม่เป็นอบัตแต่ว่า พระองค์พอเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ประชุมสงฆ์ประชุมสงฆ์ก็คือพวกข้าราชการเก่าพวกข้าราชการเก่าที่เป็นตุลาการศาลตุลาการศาลพิพากษาอายการนักกฎหมายในกรุมราชคฤห์นั่นแหะที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็มีมากพระพุทธองค์ก็ได้ถาม ถามนักกฎหมายล่านั้นหละวะ่านี่ถ้ามันเป็นโทษอย่างนี้เนะี่ยทางบ้านเมืองเขาจะจัดขนาดไหนที่ว่าโทษประหารตุลาการศาลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในกฎหมายบ้านเมืองเขาผู้ใดก็าตามขโมยสิ่งของที่เจ้าของของไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาศคือเจตนาขโมยโทษประหาร แสดงว่ากฎหมายของเขานึบเยี่ยมมากในสมัยก่อนเข้มมากเลยขนาดลักขโมยเจตนาเพียงขโมยบาทเดียวนะเขายังยังตัดคอทิ้งฮนะพระพุทธองค์ระบอกถ้าอย่างนั้นในวิัยของพุทธศาสนาของเราควรจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตั้งวินัยขึ้นมาเนะี่ยตั้งแต่บัตหนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็าตามขโมยสิ่งของ เจ้าของก็งไม่ได้ให้ด้วยราคาเพียงห้ามาศตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปขาดจากการเป็นพระคือต้องปาราชิตขาดจากการเป็นพระในพระพุทธศาสนาถึงจะรู้ว่าตัวเองบวชอยู่ก็าตามแต่ตัวเองไปทำอย่างนแปลว่าขาดจากการเป็นพระอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธทเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ <c oughs> แต่ว่าตามไม่จริง ท่านก็มีช่องวางอยู่สมมุติว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นครูบาอาจารย์เป็นถ้าเราเจะยิบฉวยเอาไปใช้บอกเออผมขอผมไม่ได้เห็นท่านนะในขณะที่ท่านอยู่ท่านอาจารย์อยู่รู้ว่าท่านอยู่ผมก็ได้เอาอันนี้อันนี้ไปใชเ้เพราะเห็นท่านอาจารย์มีลูกกุศท่านมียาซีฟันอยู่สองหลอดอยู่แต่ผมมันหมดผมก็ไม่ได้เห็นท่าน แต่ผมก็ออกไปอยาสีฟันของท่านหลอดหนึ่งไปใช่นะแต่ท่านคงคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่ท่านก็คงจะว่าหายแต่ผมได้ออกไปอันนี้ท่านถือว่าวิสาสะวิสาสะให้เขาว่าถือออกไปโดยวิสาสะก็ไม่เป็นอาบัตอันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนแล้วจะค่อยบอกกล่าวทีหลังอันนี้คือพระวินัยก็มีช่องมีช่องออกให้กับผู้ ไม่ใช่ว่าที่ไหนทีนั้นทีเดียวนะนี่แหละอันนี้ก็คือพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลถนะึงอย่างไยก็ตามนะให้พวกเราสำรวมสำรวมกายวาจาไวนะ้ดีที่สุดนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่นายกใหม่อีกต่างหากนะประยุทธ์จันโอชานะท่านแถลงข่าว เมื่อเช้าเนี่ก็ท่านได้เป็นนายกแล้วแต่ลุงพ่อเออก็ดีให้บ้านเมืองจะได้สงบงบเก็บแต่ก่อนหน้านี้เราสื่อความามันหลุมมันตุ่มไม่รู้อะไรตอนนี้อะไรแต่ถึงยังไงผู้ใดขึ้นมาปกครองก็เถอะนะอย่าลืมตัวอย่างที่ลุงพ่อเคยพูดแต่ลุงพ่อเหมือนกันเป็นสมภารอย่าลืมตัวพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน อยู่ในสถานะอ ย, อยู่สถานะไหนอย่าลืมตัวคำลืมตัวคำนี้นะมันกลินกว้างขวางเป็นวงกว้างมากเกิดขึ้นมาแล้วอย่าลืมตัวว่าเจ้าเองจะไม่ตายจะไปหลงลืมว่าขาในเลิศดประเสริฐกว่าใครทั้งหมดอีกสักวันหนึ่งนั่นแหละมันความตายมาถึงนะ้เสมอกันหมดไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีความตายไปได้ นี้ก็เหมือนกันนะไอ้พวกเราสํานึกไปอยู่เสมอมรณะเมผาวิสติวันหนึ่งข้างหน้าข้าจะต้องตายเนี่ยเมื่อข้าตายแล้วข้าจะข้าจะทํำยังไงข้าจะฝากคุณงามความดีหรือข้าจะฝากความชั่วไว้ในแผ่นดินหรือข้าจะฝากความดีไว้ในแผ่นดินตาว่าใครย คนใครๆก็ามาอยากจะฝากความชั่วไว้ในแผ่นดินลูกหลานได้ยินกด็ด่ากรนอยู่ตลอดเวลานามสกุลอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ทําให้ประเทศชาติล่มจมจิบพายทําให้วัดวาศาสนาจีพายทําให้หมู่เพื่อนวงศาคณะญาติจีพา ย, ยแล้วเขาคงจะไม่ยจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างลุงพ่อก็เหมือนกันนามสกุลลุงพ่ออยู่เนี่ยถ้าทําให้เสียหายลูกหลานทั้งหลายก็คงจะประนามโวหาสมพนันธ์ มาสร้างวัดที่แรกองคแรกเนี่ซ้ายเสียหายดังไปถึงเท่าไหร่เขาก็ว่าเสียหายมันไม่ดีไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราทําดีเป็นหัวหน้าวัดเนี่ยเราวัดนาคำน้อยเนะี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยเป็นผู้พานำจนเป็นวัดวาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหา ที่มาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเป็นประวัติเป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่งเหมือนกันเพราะนั่นเราไปอยู่นสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดอย่าไปคิดทําความชั่วสรุปแล้วต้องพยายามทําแต่คุณงามความดีแต่เราทําคุณงามความดีน่ะความดีนั่นแหละจะเป็นประวัติอันเสร็จสวยงดงามถึงใครจะรู้หรือไม่รู้แต่เรารู้แก่ใจของเราว่าเรานั่นคืออะไร เราทำดีและเราทำชั่วนะเนี่ยถึงใครจะมายกย่องถึงบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดในขณะที่คนอิจฉาพยาบาทกันเขากดด่าแต่ตัวเองน่ยตัวเองพูดเป็นเจ้าของเนี่ยเรารู้แก่ใจเอเราไม่ได้ผิดอย่างงานา เ, เราไม่ได้ผูดผิดอย่างงานาเราเพียงแต่ประกอบคุณงามความดีตอลนะอดเทานั้นเขาจะว่าก็ว่าไป คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเราก็พูดอย่างนั้นได้คนอันไหนคนไหนไม่ไม่ถูกนินทาไม่มีรอกในโลกเนี่ยเอาเถอะแต่มองเขานินทาข้าข้าก็ามองดูแล้วไม่เห็นความผิดตรงนั้นเขาก็ปากของเขาเราจะไม่ให้เขาว่าเขากล่าวเลยก็ไม่ได้เหมือนกับหมาเนี่ยเราเดินไปไม่แห่หมาเหา่ า, เห า, าก็ไม่ได้เป็นฉันจัตยาณของหมามันเหา่าก็เห่าไป แต่เราก็ต้องมองดูหรือใส่เสื้อประหลาดอะไรบางหมายมันจึงเหา่าถึงขนาดนี้วเะเราก็ต้องมองดูถ้ามองดูแล้วเอมันผิดแปลกแตกต่างแล้วก็ปลดตัว น, นั้นออกซัอแก้ตัว น, นั้นออกซัอให้เป็นเสื้อสุภาพสุภาพธรรมดามันก็ยังเห่าอยู่นะถ้ามันเหา่าสุดแท้แต่ปากมันมาปากหมาไมนจะเห่าก็เห่าวัก เ, เราก็ต้องมองดูตัวเองอีกเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คืออ คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแต่หลวงพ่อก็บอกว่าคนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ตําหน่ดีกว่าภารชนสรรเสริญบัณฑิตนักปราชญ์ตําหน่ด่าเราท่านไม่ดีอย่างนะั้นท่านไม่ดีอย่างนะี้ตีกว่าภารชนสรรเสริญยกยอปอปัน้นท่านดียังไนงะท่านดีอย่างนะี้ แต่บัณฑิตนักปราชญ์ท่านตำหนิตามความเป็นจริงนะตำหนิตเพื่อแก้ไขถ้ามันไม่ดีท่านก็บอกว่ามันไม่ดีนะควรจะแก้ไขณนะจุดนี้นะอถ้าเราแก้ไขหรือไมแ่แก้ไขก็ตามท่านก็ไม่ได้เหยียบย่ําไม่ได้ทําร้ายทําลายเราอีกเพราออะไรเพราะว่าท่านมีคุณธรรมในจิตใจแต่พาและชนนี่สงคย่อมสรรเสริญย่อกย่ อ, สส อ, ยอปอบปนอันนั้นทีเจ้านายดีมดเจ้านาย อย่างนี้นก็เจ้านายดีผลในสุดพอเจ้านายหกคอมเมนล้มท่านเองลูกน้องขึ้นไปกระโดดเลยไปช่วยเขากระดำอีกต่างหากแผลตรงไหนตรงไหนตรงไหนชี้มาหมดบอกมาหมดที่จะให้ผู้ที่ตัวเองยกย่องมา ก, ก่อนนั้นแล้วก็ไปยกย่องคนอื่นต่อเองอันนี้เป็นว่าพาละชนเพราะนั้นต้องระวังอีกเหมือนกันนะ เรียว่าบัณฑิตนักปราดตำหนิดีกว่าภาละชนสารเสื่อรับพรอนอนุโมทนาให้ก่อน